ทุกคนต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันมดไม่มีใครต้องการความทุกสักคนเดียวอันนี้ต้องคิดดูให้ดีความสุขใจนั่นน่ะเป็นความสุขที่ชาวพุทธต้องการ อันสุกกายนั่นมันเป็นผลของบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้เราที่ดัดแปลงให้มันดีไปตามความประสงค์ของจิตใจมันไม่ได้เพราะว่ากรรมเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนะั่มันมาตกแต่งให้แล้วต้องเข้าใจคนไม่เข้าเข้าใจ เ, เหตุผลอย่างว่านี่นะ มันยังเอาไปถือผีถือเทวดาว่าดินอะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือให้ตนปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บอะไรต่ออะไรมันไม่เห็นแจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็เคยพูดอยู่บ่อยๆนะคนจะพากันเข้าใจ อันจิตใจนี่มันสามารถปรับปรุงให้ดีได้ดีจนยังขึ้นไปสูงสุดจนละกิเลสขาดจากสันดานได้นู่นแต่ร่างกายนี่เราจะปรับปรุงยังไงยังไงมันก็เท่าเก่ามีแต่สุดโทมไปตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยกลางคนระยะนี้ก็ยังชั่วหน่อย เลยไวกลางคนไปเข้าสู่วัยชราแลานะ้วก็ไม่มีทางปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยมีแต่มันสุดโทมไปเรื่อยๆเมื่อมหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันเท่านั้นนี่ะร่างกายอันนี้นี่ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่าไปร้องสำคัญว่า เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไปสำคัญไปอย่างนะมันก็เกิดกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดขึ้นมาอย่าไปสำคัญอะไรเพ่งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็วางเฉยทำความรู้เท่ามันไป ใช่มันทำความดีไปใช่มันประพฤติคุณงามความดีไปจิตใจที่มันยังไม่มั่นคงก็พยายามฝึกให้มันมั่นคงไปอร่างกายนี่เราก็ทำความรู้เท่าไปอย่าไปเป็นทุกข์ทนร้อนกับมัน ฝึกจิตใจให้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเราจะห้ามไม่ได้ดอกมาให้มันเป็นทุกข์มาให้มันแปรปรวนร่างกายอันนี้ห้ามไม่ได้เราก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปเดือดร้อนกับมันทาไมแล้วแต่เราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้ มันก็เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้แหละ <c oughs> อันนี้มันมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันจึงบังคับมันไม่ได้ก็มันเตือนใจเสมอเสมอแหละคนเรานะ่ะเมื่อเตือนใจเสมออย่างนี้มันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในร่างกายนี่ตามเป็นจริงเวลาร่างกายนี้มันวิบัติแปรปวนไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่กระวนกรวายอดทนต่อความแปรผันต่างๆได้กายวันไว้แต่จิตจะไม่ให้มันวันไว้นี่เราต้องกำหนดไว้อย่างนี้กายวันไว้ไปแต่เราจะประคองจิตไว้ไม่ให้วันไหวไปตามร่างกายจะทำความรู้เท่าไว้เพราะร่างกายนี้มันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ มันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเรานึกคิดอย่างนี้นะให้จิตมันรับรู้รับรู้ว่าเป็นความจริงอย่างนี้แหละเมื่อมันจิตรับรู้ว่าเป็นความจริงแล้วมันก็มันก็ไม่ดิ้นรนเดือดร้อนอะไรนั่นนี่เพราะว่ามันรู้ว่าไม่ใช่ของเราหนิมันเป็นยังไง <c oughs> เมื่อมันรู้ว่าไม่ใช่ของเรา เราเพียงจะอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวนะความฝึกจิตให้มันตั้งมั่น ด, ด้วยดีไม่หวั่นไหวอันนี้แหละเป็นทางออกจากทุกข์ให้พากันเข้าใจถ้าเมื่อร่างกายวิบัติแรปรปรวนไปเจตใจก็หวั่นไหวไปตามอย่างนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ได้เป็น สุขเพราะความหวั่นไหวอันจิตใจจะไม่ทุกข์ได้ก็เพราะว่าอดทนรู้เท่าต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้ต้องให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ ก็เพื่อบรรเทาทุกทางใจนี่เองนะถ้าพูดโดยอดยอดย่อแล้วนะอืมส่วนร่างกายนี่เราก็บังรุงมันไปตามเรื่องเท่าที่มันจะเป็นไปได้เท่านั้นเนี่มส่วนจิตใจเนี่ยเราสามารถบำรุงหรือสามารถปรับปรุงให้เปนดีขึ้นไปได้อืมสามารถรู้เท่า นามรูปอันนี้ได้ตามเป็นจริงอย่างนี้นะทำไมยังสามารถสามารถถ้าหากว่าเราทำจิตให้สงบลงได้จิตที่สงบนั่นเป็นจิตที่เข้มแข็งกล้าหาญกล้าเผชิญหน้ากับความแปรปรวนของร่างกายเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ฝึกให้สงบระ ง, งับลงไปได้แล้วนะ เหตุนั้นจึงสามารถรู้เท่าร่างกายในตามเป็นจริงได้ <c oughs> เพราะมันกลายกับจิตมันอยู่ใกล้กันนี่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็รู้รู้ความจริงของร่างกายไม่จําเป็นต้องไปเพ่งหาที่อื่นได้เพราะว่าจิตกับกายมันอยู่ด้วยกัน่ะขอจะฝึกจิต้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแหละ จิตนี่มันก็รู้แจ้งในกายนี่ได้ทาเป็นจริงเลยเพราะว่าความไม่เที่ยงเมื่อร่างกายมันแปรปวนมันก็ไปกระทบกับจิตนั่นแหละจิตก็มีหน้าที่รู้แจ้งในกายนั่นตามเป็นจริงเออเวลานี้ร่างกายมันวิบาทแปรปวนอย่างนี้นะก็รู้เท่าเออเวลานี้ร่างกายมันเป็นปกติ มันไม่วิบัติแปลปวนก็รู้แจ้งรู้เท่าไว้ถึงว่ามันไม่วิบัติแปลปวนในขณนะนั้นต่อไปมันก็จะวิบัติเหมือนกันอย่างนี้นะ <c oughs> เราทำความรู้ทั้งฝ่ายเจริญทั้งฝ่ายเสื่อมเรียกว่ารู้ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้แหละรู้เท่าทั้งสองฝ่ายเลย เมื่อความเจริญมีความเสื่อมก็ต้องมีมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นคู่กันความเจริญนะอุปมาเหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้นะเมื่อมันเจริญขึ้นไปเต็มที่แล้วอย่างนี้มันก็หยุดเจริญไนงะอ่องนีน่ใบก็เหี่ยวแห้งร่วงหล่น้อ ง, งกิ่งก้านสาขาอันใดก็บางบางกิ่งก็ตาย ลงไปอย่างนี้นะในขณะที่มันกำลังเจริญเติบโตขึ้นไปใหม่นี่มันไม่เป็นไรมีแต่ซุ่มชื่นต้นไม้ก็ดีขั้นพอมันเจริญไปสุดขีดก็มาแล้วเราไปมองดูนะมีแต่มันํำรุดไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะร่างกายของเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อมันเจริญขึ้น เต็มขีดเข้ามาแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นมันก็บ่ายหน้าแห่งความเสื่อมไปเรื่อยๆหมายหน้าไปสู่ความเสื่อมไปเรื่อยๆนี่ควรพากันสังเกตทำวิพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะเกิดนิพพิธาความเบื่อนายขึ้นมาเบื่อนายว่าร่างกายนี่น่ะ ไม่มีอะไรคงที่เมื่อนายตอกิเลสอันมันแสดงมายาหลอกจิตให้หลงสำคัญว่าสวยว่างามกิเลสอย่างว่า น, นี้คนหน้าเบื่อนายเพราะมันเป็นมารคอยขัดขวางหรือจูงเอาจิตใจนี้ให้ตกต่ำลงไปสูงขึ้นไม่ได้ เราต้องเบื่อหน่ายความแปรผันของรูปกายนี้ด้วยเบื่อหน่ายกิเลสที่เป็นเหมือนมานเน่ยคอยมาขัดขวางความเจริญของจิตใจนี่ทำความเบื่อหน่ายไว้เสมออย่าไปทำความพอใจกับกิเลสืรและล้วลปัญญาสอนจิตนะให้เห็นว่ากิเลสมันน่าเบื่อหน่ายจริง ไม่นะ่ายินดีพอใจอะไรเลย <c oughs> เพราะมันเป็นมายามันไม่เป็นของจริงจึงว่าหน้าเบื่อนายมันหลอกให้หลงรักหลงใครแล้ววันนี้มันก็หลอกให้เป็นทุกข์วันนี้น ะ, ะเดือดร้อนอย่างนี้แหละถ้ามันมันหลอกให้หลงรักหลงใครหลงยินดีแล้วมันส่งเสริมให้ มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้มันก็มันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ดีแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตันหามันหลอกให้ยินดีเพลิดเพลินไปแล้วมันสักหน่อยหนึ่งมันก็หลอกให้ลงทุกข์แล้ววันนี้นะ อ, อันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ผิดหวังอันนี้ก็ผิดหวังอย่างนี้นะก็เอามีแต่ความเศร้าใจ นี่อย่าไปหลงมายาของกิเลสตัณหาผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่เราต้องยืนหยัดอยู่ในพระธรรมคําสอนของพระเถรเจ้าอืเพื่อเจ้าร่างกายมันขอไม่เที่ยงเราก็ทําความรู้อยู่ในใจของตัวเองนั่นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนี่แหละ พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าขันหานี้เป็นทุกข์ทนได้ยากเราก็ยืนหยัดอยู่ในความรู้ความเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากลําบากมันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแ่ะมันจึงเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอา้าวเราก็ยืนหยัดรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ มันติดต่อกันไปเรื่อยไปอย่าให้มันเสื่อมอเมื่อเรารักษาความรู้ความเห็นอันนี้เรื่อยๆไปแล้วงานอันนี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปท่านจึงเรียกว่ารู้ยิ่งเหตุที่มันจะรู้ยิ่งก็เพราะมันกำหนดรู้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่หลงไม่ลืมความรู้ความเห็นอันนี้ เมื่อมันรู้เห็นติดต่อกันไปเรื่อยๆมั น, ม, นมันก็ไม่เสื่อมแล้วนีอมันก็ยิ่งขึ้นไปรี่ว่าทำให้มากเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความรู้ทนอันเป็นสิข้างสุดท้ายความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรม ก็เพื่อความหลุดพ้นเป็นจุดหมายปลายทางอย่างนี้แหละความหลุดพ้นหมายความว่าละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ไม่สําคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ยินดีในเมื่อขันห้านี่มัน เจริญเป็นไปโดยปกติไม่เสียใจเศร้าโศกในเวลาขันห้านี่มันวิบัติแปลปวนไปเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ลุดเป็นผู้พ้นจากขันห้าถ้ายังไปหลงยินดนีร้ายกับขันห้าอยู่นี้ชื่อว่ายังไม่รุดไม่พ้น ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่เราต้องสังเกตตัวเองเมื่อสังเกตตัวเองบ่อยๆเข้าตรงนี้มันก็ก็รู้ได้ว่าจิตของเราเนี่ยมันยึดถือขันห้านี่อยู่มากน้อยเพียงใดหรือมันปล่อยวางได้มากน้อยเพียงใดมันก็รู้เมื่อพิจารณาอยู่เสมอนะอย่างนี้เนี่ย เมื่อส่วนใดที่เราปล่อยระวางมันได้แล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสือ่อมเพราะในตอนนี้ยังเป็นโลกิยธรรมอยู่ไม่ใช่โลกุตรธร ร, รมกำลังเจริญปัญญาวิปัสสนาพยายามหาอุบายฝึ ก, กจิตใจนี้ให้เบื่อให้นายในนามในรูปอันนี้ เมื่อรู้มันรู้สึกว่ามันเบื่อมันไหนแนละ้วก็เอาวางหัดวางลงดูวางลงไปให้ใจเป็นอุเบกขาลงมันจะเป็นอุเบกขาได้อยู่นานเท่าไหร่นี่ลองฝึกใจตัวเองดูถ้าไปไปแล้วมันพลิกจากความวางเฉยอันนั้นไปเป็นความยินดียันร้ายไป ก็ได้ชื่อว่ามันกลับไปยึดถือขันธ์ห้าเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างนี้เราต้องตามรู้กิริยาของจิตนี่เสมอไปไม่ใช่ว่าภาวนาไปแล้วไม่ได้สังเกตสังการไม่รู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจตัวเองเลยอย่างนี้เอาว่าภาวนาลุ่มลุ่มลุ่มร้อนร้อนไปเฉย อย่างนี้เนี่มันไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเข้าใจมันจะก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าเราพยายามพิจารณาให้เห็นความยึดความถือของจิตใจนี่นะอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าบุคคลไม่พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนไม่รู้เลยว่าจิตนี่มันยึดถือขันห้าอย่างไรอ่ะ นี่ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนบางคนยังว่าว่าพฤ่ปฏิบัติสม่ำเสมอดีไปคันไปไปแล้วพอมีเหตุแล้วกระทกกามาล ด, ดวนไหวไปเลยอย่างนี้นะะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเลยอย่างนี้นั่นแหละแสดงว่า ความวางเฉยอันนั้นอ่ะมันไม่ต่อเนื่องกันปล่อยให้จิตใจเพลินดีเินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้แล้วพอมีอารมณ์ภายนอกกระทบเข้ามามันก็ว่นไหวไปตามเลยทีหนึ่งนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องพิจารณาความรู้ความเห็นที่เราได้ ทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วนี่ให้มันเจมแจ้งอยู่ในใจเสมอยืนเดินนัง่งนอนเศสีส่ิริยบทนี่เราต้องมีสติสมบทศิญญาะระลึกถึงความรู้ความเห็นภายในจิตใจนั่นอยู่เสมอไปไอ้อความรู้ที่เราพิจารณามาแล้วนั่นยังอยู่หรือไงอะความเห็นอันนั้น กาหนดพิจารณามันก็รู้ได้ว่ามันยังอยู่ความรู้ความเห็นอันนั้นยังปรากฏอยู่จิตใจก็ยังเปิดเป็นปกติอยู่ก็รู้อย่างงี้นะเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็ระมัดระวังประคับประคองความรู้ความเห็นอันนั้นเรื่อยไปอย่าให้มันเสื่อมอันข้อนี้นสำคัญมากคนเราส่วนมากนะปฏิบัติธรรม เมื่อบำเพ็ญธรรมะอันเป็นฝ่ากุศลให้เกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ไม่ได้ไปไปหน่อยนึงปล่อยให้เสื่อมไปแล้วจิตระตกไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปอย่างนี้นะอันเช่นนี้เนะี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องเตือนตนนะถ้าเป็นเช่นนั้นนะอย่าไปนิ่งนอนใจถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นนะต้องรีบเร่ง ทำความเพียนเพ่งพินิจให้มากเข้าไปกลัวเก่าแบบ น, นี้นะให้ใจมันหนักแน่นเข้าไปใจมันจะหนักแน่นก็เพราะเราเพ่งนี่แหละความเพียนเพ่งพินิจนี่นะมันเป็นตะปะธรรมุคคลผู้มันเพ่งพินิจเข้ามาภายในกายภายในจิตอันนี้ อยู่เสมอเสมอเนี่ยครับเมื่อทาอยู่บ่อยๆนะ้วมันกล้าหาญนะจิตใจนี่นะมันเป็นตะปรรมเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนให้หมดไปสิ้นไปถ้าบุคคลไม่มันเพ่งพินิษบ่อยๆนี่กำลังจิตนี่มันโอนแอนั่นแหละความรู้ความเห็น ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเมื่อจิตอ่อนแอแล้วมันก็อ่อนแอไปตามกันเพราะมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานมันดาความรู้ความเห็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นมันมีจิตเป็นประธานทั้งนั้นเลยถ้าจิตอ่อนแอแล้วความรู้ความเห็นนั้นมันก็อ่อนแอไปตามกันฉันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำเนียกรูให้ดี ไอ้กลัวว่าเราจะมีศรัทธามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ของง่ายนะทบทวนให้ดีหรือว่ากลัวว่าจะมีศรัทธาได้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้นะไม่ใช่ของง่ายนะถ้าคนไม่มีบุญว่าสนามมากพอสมควรเนี่ยมันจะเพียงแค่บวชชั่วคราวเท่านั้นแหละ จะไม่ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปไม่ปรารถนาที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิตใจบวชพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยห้คนที่ไม่ได้ตั้งใจจริงจังเข้ามาบวชนะเป็นอย่างนั้นผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเข้ามาบวชอย่างนี้นีนนนามานน่มักจะมั่นคงอะ่ะ เพราะว่าเมื่อหากว่ากิเลสมันโยโยนเอาจิตแปลปวนไปเมื่อมันนึกถึงความทุกในการครองเรือนขึ้นมาอย่างนี้ในการครองเรือนมันเป็นทุกอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อความรู้ความเห็นอน่านั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วมันก็ถอยถ้าหากว่าไปมองเห็นว่าการครองเรือนนนมันเป็นสุขสบายดีอย่างนี้ กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นเข้าไปเลยอ่ะมันยังกำเริบใหญ่เลยพรอมันสายเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นมัน เ, เรื่องของกิเลสนั้นมันเป็นมายามันหลอกจิตให้ติดอยู่ในทุกข์ความจริงในการคลองเรือนไม่ใช่มีความสุขมีแต่ทุกข์สารพัด ส, สารพันสุกขก็สุกขเล็กๆน้อยๆไปเพราะวันนั้นแหละ ไม่ยังยืนอะไรเลยมันมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขอย่างนี้นะถ้าว่าการทำความจริงน่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนเราเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบความจริงอะ่ะชอบแต่เรื่องไม่จริงอชอบแต่ให้คนทั้งหลายหลอกลวงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างที่เขาลงหนังสือพิมพ์กันอยู่นั่นแหละ เอาเขาใช้อุบายเล่ยเลียมเอาทองแก่เส้นใหญ่ๆนั้นะมาแลกเอาทองแท้อยู่ในคอของตัวเองนะั่นแหละหลงเล่ยเรี่ยมของเขาเข้าใจว่าทองเส้นใหญ่ๆนั่นนะจะเป็นทองแท้เราจะรวยคนว่าอ่าอย่างนี้ก็ปลดสร้อยคอทองแท้ทองจริงนั้นให้เขาไปเลยเมอเวลาเขาไปแล้ว เอาไปให้ช่างทองดู เ, เขาบอกว่าเอ้ยนี่มันทองเก้ไม่ใช่ทองแท้อย่างนี้นะอา่าลมจับเข้าไปอย่างนี้แหละคนเราในโลกนี่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกตันหามันหลอกลวงเอาเอา่ามีลูกมีเต่ามาบังเอิญลูกไปตายเสียแต่เล็กแต่น้อยอย่างนี้พ่อแม่ก็เสียใจเศร้าโศกลมจับเข้าเป็นลม ต้องได้พยาบาลกันเจ้าละวันเขามีอะไรลูกของตนสารพัของผู้ครองเรือนเนี่ยมันวุ่นวายมันเดือดร้อนมันยุ่งเหยิงถ้าพันนาไปแล้วมันไม่สิ้นสุดเลยเอาแค่ว่าการอยู่ครองเรือนเนี่ยมันแสนยากนักอย่างหนาก็แล้วกันแหละ อา้าถ้าถ้าว่าอย่างนั้นผู้ทําไมคนยึงไปครองเรือนกันมากมายกายครองอย่างนั้นถ้ามันทุกข์มันยากอย่างนั้นนะเอาก็มันสู้อํานาจของกิเลสตันหาไม่ได้นี้แม้ไม่สมาเกีกรอยากแก่ทํามันก็ได้ทําเพราะว่าตนนั่นยอมตกอยู่ใต้อํานาจของมันแต่ที่แรกแล้วอย่างนี้นะเพื่อเผื่อว่ามารู้ตัวเห็นทุกข์เห็นโทษ ก, ก็ไปที่ไหนในมันผูกมัดรัดตึงไว้เต็มที่แล้ว แก้ไม่ออกแล้วแก้ไม่ได้แล้วมันก็จำใจอะเรืองมัน่ะจำใจสู้ทนอดกัน้นเอาทุกเป็นทุนไปอย่างนั้น่ะมูนไปตามกรรมไปอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนียคู่ครองเรือทั้งหลายอะ <c oughs> แต่ถ้าผู้มีบุญอนะยังชั่วน้อยอผู้มีบุญได้ทามาแต่ก่อนมาก เกิดมาอยู่ในบุญกองเงินกองทองแล้วก็มีจิตใจฝักไปในสินในธรรมอาศัยความเป็นผู้มีฐานะดีนั่นแหละได้รักษาสินฟังธรรมได้ทาบุญทาทานบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งาศาสนวัตถุและาศาสนธรรมแอ้ผู้เช่นนั้นแะก็ พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญเหมือนกันแหละว่าชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นเหมือนถึงแม้จะอยู่ครองเรือนก็ครองโดยศีลโดยธรร ม, มแต่ผู้ที่บุญน้อยเนี่ยไปครองเรือนะเป็นทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเหมือนมันกลงกันข้ามเลยมีคนขอทานคนหนึ่งไปเที่ยวขอรับเศษอาหารจากพระในวัดเน่ย วันหนึ่งไปขอเศษอาหารจากพระอานนท์พระอานนท์ท่านเห็นก็เธอเอ็นดูท่านก็แนะนำว่าเธอ่ะทำไมมาเที่ยวถือกะลาขอทานเขากินอยู่นี้เธอมาบวชเสียไม่ไดีเลยออ้คนอนาถาคนนั้นกระตอบท่านว่าโอ้ยคนอย่างผมนะใครจะบวชให้ ไม่มีใครเหลียวแลหรอกเอาถ้าเธอมีศรัทธาฉันนี่แหละจะบวชให้ถ้าอย่างนั้นผมก็บวชพระอนนท์เลยบวชให้ก็เพื่อนคงมีบุญได้ทำมาแต่ก่อนมากมายนั่นแหละแต่ว่ามันมีกรรมไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันให้ผลกลายเป็นคนจนนะเ <c oughs> มื่อบวชแล้วเพื่อนคงไม่ทิ้งกลา อันนั้น่ะเก็บไปโยผ้านุ่งพันตัวนั้นผืนหนึ่งก็เก็บไปเอาเชือกผูกเลาแขวนไว้กิ่งไม้หัวทางจงกรมเมื่อเดินจงกรมไปมาถ้ามันเกิดกะสัญอยากสืกขึ้นมาก็ไปยืนอยู่ใกล้เอนกับผ้ากับกลาอันนั้นแล้วก็ส้อนตัวเองว่าเธอนะเธอสึกออกไปเธอก็จะไปไม่พ้นจากกลาใบนี้ ไม่พ้นจากผ้าขาดขาด เ, าเก่าๆหุนนี่แหละเธอก็จะต้องได้ประสบความทุกข์เหมือนที่เป็นมาแล้วนั่นแหละท่านก็สอนตัวเองเข้าไปใจมันก็เลยถอยอนนี้ไม่อยากซึกืมวันต่อไปนั่นท่านก็นสรรค์ขึ้น่าก็เอาไปยืนสอนตัวเองอยู่กับกระลากับผ้าผืนนั่นแหละเอาแพอามาท่านกด หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้เพราะอุบายอันนั้นเนี <c> ่ย <oughs> แล้วแล้วท่านก็ไม่ไปหาผ้าผืนนั้นอีกไม่ไม่ไปหากาลานั้นต่อไปพระเนรทั้งหลายสังเกตแล้วก็ถามเอ๊ะทําไมท่านอาจารย์จึงไม่ไปหาผ้าผืนนั้นไม่ไปหากาลาใบนั้นอีกอ่ะโอ้กิจที่เราจะต้องไปหากาลากับผ้าผืนนั้นไม่มีแล้ว พระพุทธชนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็หาว่าท่านอวดอุตริมนุสตาธรรมไปทูลฟ้องาษษษสดาพระองค์จึงรับรองให้ว่าเป็นความจริงเธอหมดกิจแล้วพระทั้งหลายจึงได้เชื่อจึงหายสงสัยจึงได้แสดงความเคารพนับถือเต็มที่ไอ้อย่างนี้แหละคนเราจังว่า คนที่เกิดที่โวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะถ้ายังไม่ยังละกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้ยังไม่เห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานตราบใดแล้วก็วจะต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสิ้นสุดทับวางชาติจนหลงไหลไปทําบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นเข้า ตายลงไปแล้วก็ไปไม่ในนรกอบายภูมิโนนะทีนี้าชาติใดเกิดมาในโลกนี้มีสติสมัมปชัญญะลึกถึงบาปถึงบุญได้บาปไม่ทำทำแต่บุญกุศลไปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์มีความสุขยืนยาวนานแต่บนสวรรค์มันก็มีขอบเขตเหมือนกัน บุญที่ไปตกแต่งให้มีความสุขนั้นหมดลงแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้อีกการแสดงความเคารพน้มน้อ ม, อมการกราบการไหวคุณพระรัตะนกรกลอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำลายทิฏฐิมานะ อันมันถือมันมาอยู่แต่ในใจเนะมานมนานหลายชาติหลายพบแล้วถือว่าเราเลยคนหนึ่งอะ่ะเราไม่กลัวใครใครด่ามาเราก็ต้องดา่าตอบใครตีมาเราก็ตีตอบเราไม่กลัวใครไอ้ความนึกคิดอย่างนี้ท่านหนึ่งว่าทิฏฐิมานะความเห็นว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนมีเรามีเขา มันได้ไม่จิตกระลังกระเดืองไม่ยอมสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจผู้กระรัางกระเดืองแบบนั้นเนี่ยถ้ามีใครทะเลาะวิวานมาดูด่าว่าเก่าเข้าไปทนไม่ไหวก็หาว่าเขาดูถูกดูมีตนตนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็ต้องอาด่าตอบต้อง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 เราพึ่งไปตามอำนาจของมานาทิธิมันก็เลยทะเลาวิวาทกันอยู่วันยังค่ำอย่างนั้นเลยนี่แหละเราจะรู้ได้ว่าคุณพระรัตนกลายนี่นะเป็นของประเสริฐอย่างไรอ้ พ, พระพุทธเจ้านะนอ้ง อ, นองนึกดูอะทุกคนก็คงเชื่อมั่นในใจว่าพราะองค์นะละ ราคะโทตะโมหะมานสิติทั้ททงต่างได้หมดแล้วใครจะมาด่าว่าะทะเลาะพระองค์พระองค์ก็ไม่ด่าตอบไม่ทะเลาะตอบพระองค์ก็พูดเหตุผลสู่ฟังเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วไปอย่างนี้แหละอย่างเช่นนางกินจิมานวิกาได้รับจ้างแก่ขุนฤษี ให้ทาอุบายว่าพเพราะผู้ชายเจ้านั้นได้มาสมสู่อยู่กับตนประมาณสักเดือนสองเดือนบานิเก ก, ก็เอาไม้ทาเป็นท่อนกลมๆแล้วก็เอาผ้าห่อหูใส่มันเอวนี่ แล้วก็นุ่งผ้านุ่งสิ้นรวมเข้าไปกับท่องันก็ น, น, นูนๆเลยอาถือว่าตอนมีคันวันหนึ่งประสาทาดาทัพอยู่บนธรรมิกำลังจะแสดงทำให้พุทธบริษัทฟังนางกินปีมานนามิกาเนก็ไปยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วก็ไปกล่าวโทษพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นแต่อภิรมย์สมชื่น เท่านั้นเมื่อดนฉันตั้งท้องขึ้นแล้วก็ไม่รักษาคันถ้าถ้าไม่รักษาเองก็ควรจะใช้ให้น้องวิสาขาหรือว่าอนาถาวินดีผู้เป็นอุปถัมภ์นั้นนะมาช่วยเหลือดนฉันก็ยังดีอันนี้ไม่เหลียวแลเลยทีนี้พระ อ, องค์ก็ตอบว่าดูก่อนน้องหญิงไอ้เรื่องเหล่านี้เนะ่ะ ไม่มีใครรูน้นอกจากเราจะถามคตกับเธอเท่านั้นเนี่ยจะรู้ได้อืมเพราะองค์ก็ตอบเพียงเท่านี้เลยมืณฑแลกอกพญยินที่วันนี้ร่วงรู้แล้วพญอินก็นิรมิจตัวเป็นหนูวิ่งขึ้นไปกัดเชือกที่ผูกอยู่ที่ท้องนั้น ให้ขาดไม่โกมๆแล้วมันก็ตกลงมาถูกหลังเท่าในบวมไป อ, อ, อย่าโยมเห็นเหตุ น, นั่นเข้าไปก็พากันฉุดฆ่าออกไปจากศาลาทุบตะเอาว่งด่าเอาว่งก็เช่นนั้นแหละมันทำไม่ดีมันโกหกภาษาตรารับจ้างจากพวกฤรษี นนเห็นแก่สินจ้างรางวัลพอเดินหนีออกไปรับพระเนตของพระศาสดาเท่านั้นเนี่ยแผ่นดินก็แยกถูกออกไปลงเปนไม้อยู่ในอเวจีมหานรกอันนี้เนี่ยเรียกว่าคนใจบาปหนาตาหดขาดปัญญากองไข้ครวน ว่าเหตุนี้เป็นยังไงหนอเหตเุนี้เป็นทางความเสื่อมหรือเป็นทางความเจริญอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าจะได้เงินได้ทองมาใช้เท่านั้นพอแล้วเรื่องความเรื่องกรรมนั้นไม่คำหนึง่งไม่คำหนึ่งก็ได้รับผลปัจจุบันทันดรวดน่นเน้ยนะไปทำกับพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก ไปคล้องไปโจทดพระองค์โดยไม่มีมูลความจริงถ้ามีมูลความจริงนั่นนางกินจินก็คงไม่ไปตกอเบจีแล้วออืแต่นี่มันไม่มีมูลความจริงนะเรื่องมันนะอย่างนี้หนละกิเลสของคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กําหนดจดจําเอาไวนะ้ในใจใ้ความอิจฉาหรือเะยายผู้อื่นนี่นะ มันไม่ดีจริงๆนะโดยเฉพาะไปอิจขาในสยามดูถูกดูหมิ่นท่านผู้มีศีลมีธรรมอย่างนี้นี่ยิ่งมีบาปหลายมีโทษมากเหมือนอย่างนางกินจีมานวิกาไปยกโทษพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเน่ยมีโทษหนักจนว่าแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมืนยอด รับเอาไว้ไม่ได้เลยออืก็ต้งแยกถูกเอาลงไว้ไ่ใน เ, นเอาเอจีมหานรกเช่นเดียวกับพระเทวทัศน์ออันหมูนี้นะเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเป็นธรรมเครื่องเตือนใจเมื่อให้คนเรานั้นทําบาปการทําบาปมันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราเอาเป็นคติเครื่องเตือนใจอยู่บ่อยๆเข้าไป ม่งก็ทำให้เราละโคมชั่วไปได้สำหรับผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญาก็ฟังแล้วก็แล้ ว, ลวไปท่านั้นหาได้จำเอาบทสำคัญสำคัญไปตึกสอนใจตัวเองไม่ฟังแล้วก็แล้วไปลืมไปหมดไม่ทราบว่าทันเทศอะไรให้ฟังเรื่องอะไรนึกไม่เห็นเลยคนส่วนมากมัก็เป็นอย่างนี้ เมื่อเทศน์ให้ฟังจบแล้วถามว่าจำได้ไหมเรื่องอะไรบ้างที่เทศน์ให้ฟังนี่ครัไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจำไม่ได้คราบมีอย่างนี้เป็นส่วนมากะแต่ผู้ที่จำได้ก็มีอยู่หรอกจะมีส่วนน้อยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ใดฟังทำแล้วจำบทธรรมคาสอนที่ท่านนำมาแสดงให้ฟัง นพิจารณาเห็นแจ้งในใจของตนเกิดปีติพามอดขึ้นในใจอันนั้นเป็นกุศลอย่างแรงอืแต่ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลทางจิตใจให้เข้าใจไม่ใช่ม่เ ป, เ, ปเป็นบุญนะการที่เราเห็นแจ้งในธรรมแล้วเราเลื่อมใสเราเชื่อมั่นว่าเป็นทางก้นทุกข์ได้จริงๆอย่างนี้นะแล้วก็ ได้บุญกุศลอย่างมากมายนะอนนเป็นองั้นพราะว่าเป็นอุบายที่ทำใจให้สงบเยือก เ, เย็นนี่นะใจไม่ไปเกาะไปคล้องอยู่เรื่องภายนอกมันยินดีอยู่ทำภายในใจิตใจอ น, นี่สำคัญมากทีเดียวอย่างที่พูดมาแล้วไม่บ่อยอยู่นะ คนทั้งคนก็มีจิดตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นเราทำความดีอะไรอะไรก็เพื่อจิดตดวงนี้ถ้าจะพูดวดยเหตุผลแล้วการเราทำบุญกุศลทำความดีต่างๆก็เพื่อให้เกิดเป็นกำลังในใจให้ใจขันมันเข้มแข็งตั้งมั่ น, นมันจะได้ต่อสูก้กับกิเลสที่มันลบลวนมา เมื่อเรามีบุญคุณเป็นกำลังใจอย่างเข้มแข็งแล้วเช่นนี้กิเลสตัณหามันกำเริบขึ้นมามันจะรบกวนจิตใจพุ่งสร้างเรื่องลอยไปให้เบื่อหน่ายบุญกุศลอย่างเงี้ยมันจะไม่เบื่อหน่ายจะไม่ไปตามหน้าของกิเลสในเมื่อใจมีบุญมีคุณเปในพึ่งแล้วนะมันเข้มแข็งไม่อ่อนแอ ให้สังเกตดูจิตใจของตนทุกคนว่าตนมีกําลังใจอยู่ด้วยบุญด้วยคุณเข้มแข็งอยู่หรือเดี๋ยวเนี้หรือว่าใจมันอ่อนแอท้อแท้ยังไงอะ่ะนี่ต้องทุกคนต้องสังเกตดูจิตใจของตนมเมื่อสังเกตดูมันก็รู้ได้นแลรู้ได้แหละใจใครใจเรา แต่คนสนมากมันยังไม่มองดูจิตใจตัวเองนั่นแหละมีแต่ผู้ภาวนาเท่านั้นที่จะมองเห็นจิตใจตัวเองจะควบคุมจิตของตนเองเสมอเสมอไปผู้ภาวนามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ต้องมีสติธรรมะเชนะควบคุมจิตประคองจิต ที่เป็นปกติอยู่แล้วให้เป็นปกติตลอดเสมอไปอย่าให้มันขึ้นลงสูงต่ําไปตามอารมณ์ภายนอกต่างๆนั่นนะให้มันตั้งมั่นอยู่ในพุทโธคุณอย่างเดียวผู้ใดนึกพุทโธเป็นอารมณ์ก็ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในพุทโธคุณนะั้นผู้ใดกําหนดกรรมาฐานอันไดเป็นอารมณ์ ก็ให้ใจตั้งมั่นเพ่งอยู่ในพระกรรมฐานอนั้นให้เห็นกรรมฐานอันนั้นโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละจิตมันจึงไม่คิดส่งสายไปข้างนอกมันจึงไม่ไปเกาะไปคล้องอยู่ครับสิ่งที่น่าชอบใจต่งางๆในโลกเพราใจมีดวงเดียวเมื่อน้อมมาทางศีลธรรมแล้วอย่างนี้ มันก็มั่นใจอยู่ในศีลธรรมมันก็พอใจอในศีลธรรมไม่ไปพอใจอยู่กับทีเลสตันหาอารมณ์ภายนอกต่างๆมองเห็นว่าเรื่องของโลกนะั้เป็นไม่มีไม่มีสาระแก่นสาลอะไรมีแต่มันเกิดเกิดรับรับอยู่อย่างนั่นแหละลงไปได้แล้วอย่างนี้นะ มันยังรู้ผิดรู้ถูกได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้เพื่งพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถ้าผู้ใดมันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่อยู่บ่อยๆนี่มันก็ไม่ลืมตัวก็รู้ตัวอยู่ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เดื๋อวนี้นะ แล้วตนมีความสุขหรือมีความทุกข์แต่ถ้าผู้ไม่ใช่ปัญญาก็จะเห็นว่าตนมีความสุขนั่นแหละเพราะว่าในขณะนี้ตกใครก็ไม่เบียดเบียนกินก็ได้นอนก็รับไปไหนมาไหนฟ้อนรำขับร้องริดซีซีเป่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น มันจึงไม่เห็นทุกข์嘛นี่เขาถือว่าตอนนั้นมีความสุขอยู่แล้วมันจะเป็นต้องไปผลขวายหาความสุขอย่างอื่นคนดังกล่าวมานี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้หลงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวถุกขไม่ยังยืน วันนี้ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราเสวงหาความสุขอันยั่งยืนมันจึงไม่แปลผันชีวิตนี้น่ะออันชีวิตที่มันแปลผันอยู่นี่ก็เพราะมันไปติดแต่ความสุขอันชั่วคราวนั้นอืแล้วเมื่อมันหมดอายุแห่งความสุขชั่วคราวมันก็ดับไป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 ไม่รู้จักอิมในโลกภนิวัิอันนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ่ะผู้เรื่มใสในพุทธศาสนาผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพรสงฆ์ถ้าได้ปร ะ, ประกาศปฏิญญาณตนอย่างนี้แล้ว อย่าไปถือว่ามันพอแล้วได้ที่พึ่งพอแล้วเท่านั้นก็เฉยเมยเสียปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้ไม่สมควรเพียงแค่คํากล่าวปฏิ ญ, ญาณตนถึงเท่านั้นน่ะมันไม่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงได้อันนั้นเป็นแตเพียงบทบาทเบื้องต้นเฉ ย, เฉย มันเป็นปากทางเข้าถึงคุณพ ร, ระรัตนกรยเท่านั้นยังไม่ถึงตัวคุณพ ร, ระรัตนกรยแท้ตอยเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราได้ความเคารพสับถือความเชือ่อความเลื่อมใสอย่างว่านั่นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เราลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินี่แหละ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 พระพุทธธรรมระสงค์ก็กราบก็ไหว้มนี่เมื่อมีผู้ชวนไปไหว้เท้าหมาพรมบ่ไปไหว้พระอิศวนเจ้าแม่ควนอิมะอะไรที่เขาเรือกันว่าวิเศษวิโถอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้กราบผู้ไหว้ผู้วงทวงได้มีลามียศมีสรรเสริญมีความร่ำรวย ก็อยากกล้ามรวยก็เอาแล้วจะนี้ไปไปไหว้เขาเขากราบเขาเขายันนี้ท่านเดียก ว, ว่าผู้มีจิตใจยังงอนแงงคองแนแคบต่อที่พึ่งอันประเสริฐของตนอยู่ที่พึ่งอันใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณวรรษธนาไสนี่ไม่มี นีแต่คุณพระรัตนกรัยเท่านี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดในโลกนี้ทีนี้ถ้าผู้ใดนับถือคุณพระรัตนกรัยแล้วก็ยังไปนับถือสิ่งอื่นอีกยังไปกลับไปไหว้สิ่งอื่นไปบวงสรวงบูชาสิ่งอื่นโยอย่างนี้การนับถือพระรัตนกรัยของผูนันกอเต้าหมองขุนมัวไม่บริสุทธุดพอง ไม่สามารถที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ภัยได้เพราะว่าคนพวกนั้นเป็นคนสองจิตสามใจไม่ยืนตัวอยู่ได้ยังมองไม่เห็นคุณพรพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันเบืิอมองไม่เห็นเห็นก็เห็นพอลางๆนี่แหละอันเท่ากับผูใ้ใดมองเห็นคุณ ทั้งสามประการนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยปัญญาของตนจริงๆพูดนั้นมันก็ไม่ต้องไปนับถือสิ่งอื่นเลยไม่ไปไหว้ไปอ้อนวอนบวงถวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ชาวโลกเขาสมมติกันขึ้นนี่นะ <c oughs> ไม่ไปแล้วพูนั้นมันเป็นอย่างนั้น ผด้เว้นจากการกราบไหว้สิ่งอื่นอย่างว่านี้น ะ, ะแสดงว่ามีใจมั่นอยู่ในคุณพระธ ร, ร์ตะไคร้และรู้สึกว่าคุณพระธ ร, ร์ตะไคร่นี่เป็นที่พึ่งกาจัดกําจัดทุกภัยได้จริงก็มันเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงไม่ไปไหว้ไปนอมน้อมต่อสิ่งอื่นใดชาวพุทธเราต้อง พ, พยายาม ภาวนาพิจารณาให้เห็นคุณแก้วสามประการนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐกลัวสิ่งอื่นได้ทั้งหมดในโลกนี้ต้องใจให้ต้องเป็นหนึ่งอย่าให้เป็นสองเราเห็นแจ้งว่าเป็นคุณอันประเสริฐอย่างนี้แล้วเราก็สามารถสละชีวิตปูชาลงได้นั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เชื่ออย่างมั่นคงจริง แต่เรายอมสละชีวิตเพื่อบูชาคุณพระรัตนกรายนี่เพราะเรามีปัญญาได้มองเห็นว่าคุณา น, นี้เป็นของเวเสิุจริงมีเหตุมีผลปรากฏอยู่ในใจิตใจของเราแล้วอย่างดียิ่งเราจึงกล้ายอมสละชีวิตบูชาคุณพระรัตนกรยได้ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นด้วยปัญญา แล้วจะเชื่อทมตามกันไปเฉยแล้วก็ไปสละศีลบูชาได้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่อัศจรรย์แบบนั้นนะที่นะ่าอัศจรรย์นั้นต้องเห็นคุณแก้วสามระการนี่เก่มแจ้งด้วยปัญญาตาใจผู้ตนจริงๆก่อนข้อนี้นั่นไม่มีใครที่จะยืนยันให้ใครได้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 นึกว่ากราบไปกราบมากก็ไม่เห็นว่ามันได้อะไรอ่ะก็เหลือแต่กราบอยู่เฉย อ, อย่างนี้ผู้อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะนั่นเนองถ้าเราดูผิวเผินแล้วมันก็คนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหลือแต่กราบว่าอยู่ยนี่นะไม่เห็นมันได้อะไรมาเป็นชิน้นเป็นอันอืน ไออย่างนี้มันน่าคิด